บุ๊ทูสี่สิบหกสี่สิหในดิสโกเทกดีดิสโกเทกที่นั่งนี้ว่างไหมครับ .apakah tempat ini kosong ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ bolehkah saya duduk di dekat Anda? เชิญครับศิลคนคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ Apa pendapat anda t e n t a n g musiknya เส si ียงดังไปนิดครับ a g a k sedikit terlalu keras? แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับแต่ i b a น d n y a b a น u ี sekali บา ก, กาคุณมากัี่นีมา่นี่บ่อยไหมครับ anda s e น i n g k e m a ด i ไารงเมร่ีม่มบ่อยนี่เป็นครั้งรกครับแรเกครับ belum pernah ล n i p e ม t a m ร kalinya นนีเนครังรกครับ ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ saya pernah kemari sebelumnya คุณอยากเต้นรำไหมครับคุณชอ ka berdansa อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับอาจจะไปในวันผมเต้นไม่เก่งครับ ง่ายมายค mudah ผยจะเป็นไน่นดว่าครั tidak usah l เ i n นร l i s a ดี คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ apakah anda menunggu seseorang? ใช่ครับรอแฟนอยู่ย่าที่มันสายข่าวมาแล้วครับ itu dia di belakang